สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สี่สิบห้าโปรดประทานอาหารประจาวันพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญที่เราเคยทำผิดเรื่อยเวลาที่เราอธิษฐานเราคิดว่าพระเจ้านั้น ทรงเป็นเหมือนกับเครื่องขายของหรือเบนดิ้งแมชชีนเวลาเร า, าใส่เหรียญเข้าไปนะครับเครื่องดื่มเย็นๆหรือถุงก๊อก็บขนมถุงก็หล่นออกมาพี่น้องครับแต่อาหารประจำวันที่พระเจ้าประทานมาให้นั้นไม่ได้มาจากเครื่องขายของครับเราไม่ได้ใส่คำอธิษฐานเหมือนกับที่เด็กๆใส่เหรียญเข้าไปอยู่ในเครื่องนะครับเราไม่ได้ใส่คาอธิษฐานเข้าไปในช่องและคาดหวังอาหารประจาวันจะหล่นออกมาครับ อย่างอัตโนมัติหรือไม่เพียงแต่อาหารประจําวันหรือมีสิ่งอื่นใดทางกายภาพที่เราต้องการนะครับจะหลุดออกมาหรือแม้กระทั่งคําตอบของพระเจ้าจะหลุดออกมาน้องครับอย่าให้เราคิดอย่างนี้นี่เป็นความผิดที่ไม่ถูกต้องครับบางคนอาจจะคิดว่าเราสามารถเรียกร้องสิ่งต่างจากพระเจ้าได้โดยการอดอาหารครับอดอาหารเพื่อที่จะบีบให้พระเจ้าตอบ แท้จริงแล้วท่าทีของการอดอาหารนะั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่เป็นการบีบบังคับแต่ว่าเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงต่างาครับท่าทีแห่งการสแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างจริงจังในชีวิตของเราทั้งหลาย mm hmm. ผมเชื่อแน่ว่าจะต้องมีบางเหตุการณ์ที่พวกเราจะต้องคุกเข่าลงอดอาหารอธิษฐานครับเพื่อที่จะเรียกร้อง คำว่าเรียกร้องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเรียกร้องสิทธินะครับเพื่อท่จเรียกร้องหรือร้องขอนะครับให้พระเจ้าได้ให้ความสนใจกับเราอยากจะแสวงหาน้ำมัทัยของพระเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อที่พระเจ้าจะตอบคอําอธิษฐานของเราตามน้ำมัทัยของพงศ์เมื่อถึงเวลาของพงศ์ต่างหากพี่น้ <hein? S 2> องครับเราควรอดอาหารนะครับเพื่อจะได้สิ่ ง, งต่างๆจากพระเจ้าหรือเปล่า นะครับเพื่อเป็นการบีบพระเจ้าหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ครับแต่เราอดอาหารเพื่อที่จะแสดงถึงความตั้งใจจริงหรือเราสามารถบอกสิ่งที่อยากได้แล้วอ้างสิทธินั้นเลยได้ไหมพี่น้องครับคงไม่ได้ครับเราบอกสิ่งที่เราอยากได้แต่เราไม่สามารถอ้างสิทธ์ได้ครับเพราะพระเจ้านั้นไม่ใช่เหมือนกับเครื่องขายของหรือพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นลูกจ้างของเรา หรือพระเจ้าไม่ได้เป็นคนรับใช้เรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคำอธิษฐานคือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะครับคำอธิษฐานไม่ใช่สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราวิงวอนคำอธิษฐานนั้นเป็นวิธีหนึ่งในการถวายเกียรติพระเจ้านมัสการพระเจ้าและการยอมรับอธิปไตยของพระเจ้าตัางหากครับพี่น้องครับ หลายหครั้งทีเดียวเราคิดว่าเราพยายามแลกเปลี่ยนกับพระเจ้าถ้าเราทําอย่างนี้พระเจ้าคงต้องคืนเราอย่างนี้หรือเราขออย่างนี้พระเจ้าจะต้องให้เราตามที่ขอหรือเราอธิษฐานวิงวอนซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าอธิษฐานแต่ไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเราอธิษฐานโดยที่เราไม่ได้คิดถึงว่า สิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีนั้นเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่อยู่ในนามาไทหลักของพระเจ้าก็เป็นได้พี่น้องครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าการอธิษฐานนั้นคือการยอมรับยอมรับอํานาจอธิปไตยของพระเจ้าเป็นการยอมมอบชีวิตของเรายอมจำนวนชีวิตของเราอยู่ต่อนามาไทของพระเจ้านะครับ คำอธิษฐานนนไม่ใช่เป็นคำสวยๆเพื่อที่จะให้พระเจ้าพึงพอใจไม่ใช่คำสวยๆเพื่อที่จะชักจูงพระเจ้าไม่ใช่คำสวยๆเหมือนกับทนายความเพื่อที่จะได้ชนะคดีหรือไม่ใช่เป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลตามที่เราคิดเองเพื่อที่จะให้พระเจ้าฟังเราพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านั้น เป็นเรื่องรองหลายหละอย่างไม่ถูกต้องครับแต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าเราจะต้องยอมให้คำอธิษฐานของเราหรือท่าทีแห่งการอธิษฐานของเรานั้นเป็นการประกาศพระบารมีของพระเจ้ายอมรับในอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและยอมมอบชีวิตยอมจำนนชีวิตของเราอยู่ต่อพระองค์และนาอัลไทยของพระองค์เนะครับ กาอธิษฐานหรือการอธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นการติดสินบนพระเจ้านะครับไม่เหมือนกับนักเรียนที่ไปขอครูเพิ่มเวลาทำการบ้านให้หรือบางคนก็เอาแอปเปิลไปวางบนโต๊ะครูเพื่ออยากจะได้คะแนนที่ดีกว่านี้พระเจ้าไม่ใช่เป็นครูที่หวงคะแนนนะครับทรงทรงเป็นองค์อธิปไตยผู้ปกครองจั ก, กรวาลและทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐาน เรากําลังนําพระเกียรติของพระเจ้าหรือนําพระบารมีของพระเจ้าหรือนําอํานาจอธิปไตยของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราครับดังนั้นเองคําอธิษฐานจึงเป็นเวทีที่เรานำมัสการพระเจ้าต่างหาเพียงกับเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งครับเมื่อเราอธิษฐานคําอธิษฐานของเรานั้นเป็นมากกว่าสิ่งที่เราขอมากกว่าสิ่งที่เราพูดมากกว่าสิ่งที่เราทําคําอธิษฐานนั้น เป็นวิถีชีวิตหรือวิธีการดำเนินชีวิตของเราต่างหาก้อณครับคำมีฐานนั้นเป็นมากกว่าที่เราขอมากกว่าที่เราทํามากกว่าที่เราพูดแต่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของเราเป็นวิธีที่เราแสดงออกถึงความถ่อมใจเป็นวิธีที่เราแสดงออกถึงการยอมรับในนามไทยของพระเจ้า พระเจ้าได้บอกให้เราอธิษฐานว่าขอโปวดประทานอาหารประจำวันพีเยซูตัดไว้ในมัทธิว 7:7 ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านแต่ในความเป็นจริงพระเจ้าไม่ได้ประทานทุกสิ่งที่เราขอบางคนขอมากเกินไปเขาขอขนมเคก้กเคลือบช็อกโกแลตแต่พระเจ้าประทานแค่ขนมปังขนมปังข า, ขาวๆธรรมดาหรือ ขอกินอาหารที่อร่อยอ่อยแต่พระเจ้าให้กินอาหารที่เขาจะอยู่ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์บางครั้งบางคนไม่ทำงานเขาก็ต้องอดครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ทำงานหนักพอหรือการที่พระเจ้าไม่ได้ประทานทุกสิ่งที่เขาขออาจจะไม่ใช่ น้ำมันไทยของพระเจ้าก็ได้เพียงครับยกตัวอย่างเช่นบางคนขอถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับเพราะต้องการเกษียณเออลีลีชายและไม่ต้องทํางานต่อไปนี่ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการประทานเงินทองและความสบายให้เขานะครับพระองค์ทราบว่าเขาจะออกห่างจากพระเจ้าถ้าสบายเกินไปพระเจ้าต้องการให้บางคนนะครับอดบ้าง เพื่อที่เขาจะได้สัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อผมเตรียมคําแบ่งปันในวันนี้สิ่งที่ผมได้ก็คือว่าหลายหครั้งทีเดียวพระเจ้าไม่ให้ผมสบายจนเกินไปเพราะผมจะทํำบาปเพราะผมจะออกห่างจากพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้ผมเหนื่อยเพื่อจะให้ผมสัต์ซื่อ ต่อพระเจ้าเพื่อให้ผมสามารถที่จะทุ่มเทอยู่ทิศชีวิตทุกอย่างทุกเวลานาทีให้กับพระเจ้าย้อนเคยคิดไหมครับว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคำขอเรื่องเงินทองของคนบางคนเป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ไว้ใจเขานะครับพระเจ้าไม่ได้ประทานให้บางคนล่ำรวยเพราะว่าพระเจ้าไม่ไว้ใจเขา บางคนขอพระเจ้าวันนี้สำหรับอาหารวันพรุ่งนี้คำตอบของพระเจ้าคือให้คอยจนถึงวันพรุ่งนี้เถอะพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเมื่อคำอธิษฐานของเราไม่ได้คำตอบนะครับพระพุธบอกว่าให้เราคอยเราจะเรียนต้องเรียนรู้ถึงบทเรียนของการรอคอยและบทเรียนของการมีคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตในการดาเนินชีวิตแต่ละวันบางคนขออาหารแต่พระเจ้าไม่เคยตอบด้วย ในเวลาอดอยากมีขึ้นสเตียนอดตายพี่น้องชาวปากีสถานหลายหลยคนก็อดอยากในเวลานี้แม้ว่าเมื่อเขาขออาหารพระเจ้ายังไม่ได้ตอบตามที่เขาทูลขอหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคำทูลขอของเขาหรือเปล่าครับหรือพระเจ้าปิดตาต่อพระสัญญาว่าเราควรจะขอหาและเคาะหรือไม่ใช่ครับพี่น้องครับ พระเจ้ามีเวลาและเวลาของพระเจ้านั้นก็เหมาะสมสาหรับทุกคนและที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้ามีเวลาที่เราทุกคนต้องตายด้วยเวลาที่เราทุกคนต้องกลับบ้านพบกับโองในการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นอาจจะมีเครเตียนบางคนตายด้วยความอดอยากหรือขาดเสื้อผ้าสำหรับคนเหล่านั้นที่ดูเหมือนถูกทอดทิ้งในชีวิตนี้แต่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งครับพระเจ้าอนุญาต ให้เขาตายเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตที่มีความสุขอย่างรวดเร็วพี่น้องครับก่อนที่เราจะอธิษฐานขออาหารประจำวันจาเริ่มต้นด้วยคำทูลขอแรกของคอาอธิษฐานของพระเยซูเสมอครับและคำทูลขอแรกก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในการจัดเตรียมเพื่อความจาเป็นของเรา เมื่อเราต้องการให้พระเจ้าได้รับเกียรติโดยการจัดเตรียมของพระองค์ในความจําเป็นของเราครับเรากําลังฝากคําตอบไว้กับพระเจ้าพี่น้องครับในวันนี้เรื่องราวนั้นก็มีความลึกซึ้งมากถ้าพี่น้องมีโอกาสนะครับก็ขอให้เปิดฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะเป็นพระพรกับชีวิตของพี่น้องเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับที่เป็นพระพรให้กับ ข้าพเจ้าที่กำลังแบ่งปันอยู่นี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าเราลืมนะครับคาอธิษฐานเป็นการยอมรับประกาศพระบารมีของพระเจ้าเป็นการยอมรับประกาศอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและเป็นการยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางยอมจำนนและมอบชีวิตของเราต่อพระเจ้าต่อนามไถ่ของพระองค์อาเมน